สรู้กิเลสไม่ใช่ละกิเลสวงเล็บเปิด18ตุลาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที16วงเล็บปิดกิเลสตัณหาทั้งหลายพอเรารู้ทันมีสติปัญญารู้ลงไปเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นความเมื่อจะหายอัตโนมัติเลยหายทันทีไม่ต้องไปคิดละกิเลสหรอกจำไว้นะเราไม่มีหน้าที่ไปละกิเลสเรามีหน้าที่ไปรู้มัน ทันทีที่รู้ความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับลงทันทีเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะบางคนมาถามหลวงพ่อว่าดูจิตแล้วมันจะละกิเลสได้อย่างไรละได้สิกิเลสมันเกิดตอนหลงตัางหากละ่ะหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งพอมีสติไม่หลงไปกิเลสไม่เกิดไม่ใช่ละกิเลสคนละเรื่องกันกิเลสไม่มีช่องทางที่จะเกิดแต่ว่าเมื่อกิเลสเกิดแล้วไม่มีมนุษย์หน้าไหนละกิเลสได้นะกิเลสก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่ง มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่มีใครเก่งที่จะละกิเลสได้เหมือนอย่างไฟไหม้ไฟไหม้ไม่มีใครดับไฟได้เลยไฟไหม้เพราะอะไรไฟไหม้เพราะมีเหตุให้ไฟไหม้มีเหตุก็เช่นมันมีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนไม่มีใครดับไฟได้แต่ว่าเวลาเขาดับไฟเขาไปทําลายเหตุของไฟอย่างมันมีเชื้อเพลิงก็รื้อบ้านไปไฟไม่มีอะไรจะลามไฟก็ดับมันอุณหภูมิสูงเอาน้ําไปราดมันมันก็ดับไม่มีใครดับไฟนะ เราไปดับเหตุของไฟกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปดับมันหรอกเราดับเหตุของมันเหตุของมันคือความประมาทขาดสตินี่เองเราคอยรู้สึกรู้สึกเอาไว้กิเลสไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้องดับกิเลสนะทุกข์ก็ไม่ต้องดับมันทุกข์ให้รู้กิเลสก็อยู่ในกองทุกข์เรียกว่าอยู่ในสังขารขันหน้าที่ของเราต่อกิเลสคือการรู้กิเลสไม่ใช่การละกิเลสนะแต่ว่าเมื่อเรารู้ขันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ย ตันหาจะถูกละโดยอัตโนมัติรู้ทุกแล้วละสมุทัยมันละของมันเองเราไม่ต้องไปนั่งละไม่มีใครละได้นะทันทีที่ตัญหาถูกละนิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อ ต, อตาโดยอัตโนมัติเลยเราจะพบว่าโอ้มันโง่หลายมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะไม่เห็น